พระธรรมเทศนาแผ่นที่71ลำดัแบบที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่11กันยายน2557มีชื่อเรื่องว่าขัดเกลวที่หัวใจวันนี้เป็นวันที่11 กันยายนพุทธศักราช2557วันนีาา้ทราบว่าครูบาอาจารย์น้องหนุ่มที่มีอายุพรรษาน้อยกว่าหลังสูบหลวงพอ่อชุธรรมหลวงพ่อบุญมีแล้วก็กีองค์บังที่จะมาตอนบ่ายๆและขก็อิพระในวัดของเราช่วยๆกันดูนะให้ช่วยกันดูแลครูบาอาจารย์จะ มาวัดคงจะมาคารวะตามขนบธรรมเนียมประเพณีธรรมดาะละไปมาหาสู่ธรรมดาพวกเราท่านทั้งหลายโลกทั้งโลกก็ต้องไปมาหาสู่กันถ้าหาว่าไม่ไปมาหาสู่ต่างคนก็ต่างห่างเหินกันผลที่สุ่ก็ผลห่างเหินกันโดยปริยาย แห่างกันไปเรื่อยๆอย่างศัพท์โบราณทางอีสานเขาบอกว่าแก้วแก้วก็วบากแก้วแหวนเงินทองจะเป็นเพชรนินกินดาก็ตามแก้วเขาบเพชรนินกินดาทางอีสานเขาบอกแก้วทั้งหมดถ้าแก้วถ้าหากว่าไม่ขัดไม่สีไม่ทำความสะอาด ไม่ขัดแก้วไม่ขัดสามปีเป็นก้อนหินหินลูกรลังแก้วไม่ขัดสามปีเป็นลูกรลังเป็นหินลูกรลังแล้วกับพี่น้องที่รู้จักมักคุ้นกันไม่ไปมาหาสู่กันถึงสามปีเป็นคนอื่นกลายเป็นคนอื่นไปคล้ายว่าห่างเหินกันไปเรื่อยๆ ภาษาอีสานเขาเลยว่าเป็นเป็นภาษาอีสานเขาว่าแก้วไม่ขัดสามปีเป็นแห่แห่ก็คือขี้หินแห่มันลงไปคือหินแห่ก็คือหินลูกหลังแก้วไม่ขัดสามปีเป็นแห่พี่น้องไม่แวะไม่เวียนมาเยี่ยมสามปีเป็นเพื่อนเป็นคนอื่นเพราะว่าเป็นเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นเพื่นเป็นคนอื่น แก้วไม่ขัดสามปีเป็นแหพี่น้องไม่แวะไม่แวะสามปีเป็นเพลนอันนี้ก็คือชาตรรำไม่ฝ่ายพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันไปมาหาสู่คบค้าสมาคมกันนี่แหละอันนี้ก็คือการไปมาหาสูุญาติธรรมระมักันระยานามิตร มิตรที่ดีงามคนเราเกิดมาก็ต้องมีพักมีพวกมีเพื่อนมีฝูงมีกัลยาณมิตรถ้าไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีมิตรที่ดีพวกเราจะอยู่กันอย่างไรอย่างพระพุทธเจ้าท่านการปกครองที่แรกท่านก็บอกว่าอเซวนาจะบาลานังบัณริตานันจเสวนา ปูชาจะปูชนียานังมงคล38บขึ้นบุคคลก่อนนะเอ่อเสวนาจะบาลนังยาคบคนผ่านเนี่ยยาคบคนผ่านจะคบคนชั่วให้คบบรณดิตนักปราชญ์บัณดิตานันจะเสวนาให้คบบัณดิตนักปราชญ์ปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชา บุคคลที่ควรบูชาเป็นบุคคลเช่นไรคือเป็นบุคคลดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมอันนี้ก่อนที่พวกเราจะรู้ถ้าคนเราจะรู้กันบางทีเห็นผิวเผินก็จะว่าเป็นคนดีชเชลยหรือเป็นคนชั่วชเชลยเป็นคนบุคคลที่ควรบูชาชเชลยก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้น การเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างคำพังเพยของคนไทยว่าหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนคล้คยๆไปใช้การเวลาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกอีกเหมือนกันท่านก็บอกว่าจะรู้ได้ผู้มีศีลหรือไม่มีศีลต้องอยู่ด้วยกันนาน อันนี้ก็คือหลักธรรมแต่เป็นบับพ้าบาลีนะแต่หลวงพ่อจําพระบาลีไม่ได้พุทธภาสิตไม่ได้แต่จําได้แต่ว่าคําที่แปลออกมาแล้วนั้นท่านบอกว่าท่านตรัสไว้ว่าคนเราจะรู้ว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมต้องอยู่ด้วยกันนานถ้าอยู่ด้วยกันนานจะรู้ได้ว่าคนนี้นิสัยอย่างไรนิสัยโลภโกรธหลงอย่างไร นี่แหะอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือผู้มีศีลไม่ทำต้องอยู่ได้ด้วยกันด้วยกันานกันานในพวกเราให้สังเกตผ่านภายนอกเนี่ยอย่างอีกทํานองทํานองหนึ่งนะผ่านภายนอกเนี่ยอย่างอีกทํานองหนึ่งแต่ผ่านภายในใจของเราเนี่ยภาละชนในภายในใจของเราเนี่ยอันนี้น่ากลัวมาก เออบางสิ่งบางอย่างเออมันไปน่าจะเป็นมันก็เป็นในใจของเราแต่บางที่บางครั้งเออมันหันหลังให้เรื่อๆก็มีเหมือนกันทั้งที่มันไม่มีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราใช้ธรรมะไล่ใช้หลักธรรมคําสอนใช้ธรรมะใช้สติใช้ปัญญาใช้ความอดทน ใช้หลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงาอยู่บ่อยๆ อ, อาศัยการได้ยินได้ฟังบ่อยๆชั้นเชิงเลี่ยเลี่ยมของกิเลสภายในใจของเราเนี่ยมันจะไปทางไหนมันไม่เกินสติปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านตีกรอบไว้ได้ดีแล้วนะแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้นำธรรมคาสอนออกมา เป็นตัวอย่างหรือเป็นกระจกเงาโดยภาโดยมากจะลืมตัวได้ง่ายๆเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าตัวเองไม่สอนตัวเองตัวเองไม่ดูตัวเองตัวเองไม่ขัดเกลาตัวเองจะให้ใครมาแนะนำสั่งสอนพระพุทธเจ้าก็พเพียงแต่ชีห้หนทางเท่านั้นเองพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้เป็นผู้ชีห้หนทาง แต่เราจะเดินตามทางหรือเราจะไม่เดินอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกสรพสัตทั้งหลายในโลกแต่พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้มาพบมาเจอหลักธรรมคาสอนมาเจอมาพบมาเจอทำคําสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราพวกเราก็น่าจะฟังฟังแล้วก็ศึกษาศึกษาแนวเป็นไปได้ ใช้สติใช้ปัญญาใช้ความอดทนใช้วิริยะความเพียรจากนั้นก็เมื่อกันกรองไตรตองเหตุและผลดีแล้วเราก็นํามาประพฤติปฏิบัติทีละน้อยละน้อยพอทีละน้อยเหมือนกับเราเสาะแสวงหาทรัพย์แต่พอได้ทรัพย์ขึ้นมาท่า น, นแล้วเราก็ใช่หนทาง เ, เป็นหนทางที่ถูกเดินมาถูกทางแล้วได้กําไรมีเงิน เลี้ยงชีพของเราได้เหมือนกับคนทั้งหลายทั่วๆไปถ้าเราได้ศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติธปฏิบัติเราจะเห็นผลในตัวของเราเองทางฟังพวกเราไม่ได้ปฏิบัติมีแต่ฟังแล้วก็ปล่อยปละละเลยห่างเหินไปเรื่อยอันนั้นก็ไม่ได้ <S <S 1> <S 1> แปลว่าเปล่าประโยชน์ พอหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นจึงรู้รู้จริงเห็นจริงรู้ได้แต่ว่าการประพฤติปฏิบัติสรุปแล้วก็คือไม่มีอื่นไกลในหลักธรรมคำสอนที่เราได้ศึกษาหลวงพ่อได้ศึกษามาแล้วนี่มีแต่เรื่องกายกับใจร่างกายก็คือเป็นลูกน้องของใจใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทานั่นทานี้ เป็นรูปธรรมแต่ว่าตัวนายใหญ่ของเรื่องทั้งหลายน่นก็คือใจตัวนั้นนะ่ะไม่มีใครที่จะหยั่งเข้าไปถึงจุดนั้นได้โลกทั้งโลกเขาเห็นแต่เรื่องร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายอากับกิริยาของร่างกายกายวาจาอันนี้พวกเราเห็นกันแต่ตัวใหญ่ที่อยู่ซ่อนอยู่เบื้องหลังที่หลบจมุมมืด หลบอยู่มมหลังตัวนั้นไม่มีใครมองเห็นได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําบอกกล่าวแล้วก็บอกกล่าวครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงท่านรู้ได้ว่ามันร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ไม่ใช่แต่ร่างกายเพราะนั้นตัว ลึกลับี่อยู่ข้างในในตัวที่อยู่มุมมืดตรงหลังตรงนั้นอ่ะที่มองไม่เห็นตัวนั้นสำคัญมากสำคัญอย่างมากๆในตัวแต่ตั ว, แตตวแตลแต่ละตัวแต่ละท่านไม่ใช่แต่ละท่านอีกต่างหาโลกทั้งโลกเลยมันโลกทั้งโลกเลยมันมีตัวนั้นตัวนามธรรมจุดนั้นแหละที่ทำให้โลกทั้งหลายวุ่นวายยุ่งเหยิง เข็นค่ากันมันไม่ใช่อื่นไกลตัวนั้นตัวที่อยู่มุมมืดคือใจคือนมามธรรมตัวนั้นเราจะจับขึ้นมาเอาเหตุผลเอาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้มันมีหลักมาให้มีเหตุให้มีผลโกรธไปทําไมโลภไปทําไมหลงไปทําไมรักไปทําไมเอาเหตุผลให้กับดวงวิญญาณ หรือว่าใจดวงนั้นถ้าใจดวงนั้นเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจเอาเป็นกระจกเงามองดูตนเองอยู่เสมอใจดวงนั้นก็จะรู้ได้ทีละน้อยละน้อยเนี่ยผลที่สูดก็สละสลัดตัดทิ้งกิเลสโลภโกรดหลงภายในตัวของตัวเองจิตใจก็บริสุทธิ์หลุดพ้นนี่แหละคือหลักธรรมคำสอนของ พระพุทธเจา้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้รับทำคำสอนของพระพุทธเจา้ามาบอกกล่าวแนะนำพวกเราสรุปแล้วก็คือเรื่องกายกับใจใจกับกายมีสองอย่างเท่านั้นแต่พูดพูดให้เห็นไ ด, ได้ชัดย่นย่อลงมาแต่ถ้าบรรยายขยายไปแล้วก็กว้างขวางทีนี้สินสองอีคืออะไร สีนภิษ ม, มาจาร์คืออะไรกายวาจาที่เดินสรุปแล้วก็คือใจทั้งหมดเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, ญญาติโยมทุกทกคนนะสรุแล้วก็ให้ดูตัวเองเอาธรรมะคำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นกระจกเงามาเป็นแนวทางเป็นมรคคาเป็นทางเดินพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจอนะต่อนนี้ไปคณะสงฆ์อนุโมทนาให้พร